เป็นวันที่พระพุทธเจ้าพระบรมศาสดาได้ทรงสอนให้สาธุชนพุทธบริษัทผู้ปรารถนาความหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งปวงให้หยุดภารกิจการหาเงินหาทองหาทรัพย์สมบัติภายนอก หนึ่งวันเพื่อที่จะได้เอาเวลามาหาทรัพย์สมบัติภายในที่มีคุณค่ามีประโยชน์กว่าทรัพย์สมบัติภายนอกเพราะเวลาที่ร่างกายตายไปทรัพย์ภายนอกนี้จะไม่สามารถเอาติดตัวไปได้ ใจที่ไม่ได้ตายไปกับร่างกายจะเอาซับภายในไปได้เพียงอย่างเดียว mm hmm. และซับภายในนี้จะเป็นที่พึ่งของใจให้ได้อยู่อย่างสุขอย่างสบายปราศจากความทุกข์ต่างๆ mm hmm. ดังนั้นวันพระจึงเป็นวันที่สาธุชนพุทธบริษัท mm hmm. จะมาเร่งทำความเพียรกันมาแข่งกับเวลาของชีวิตที่จะสั้นลงสั้นลงน้อยลงไปเรื่อยๆพอร่างกายนี้หยุดหายใจเมื่อไหร่ก็จะไม่สามารถที่จะสร้างซั์ภายในได้อีกต่อไปจะต้องไปรับผลของ ทรัพย์ที่ได้หาไว้ว่าหาได้มากหาได้น้อย<ม>ทรัพย์ภายในนี้ก็มีหลายระดับด้วยกันมีระดับเทวทรัพย์<ม>เป็นทรัพย์ของเทวดาแล้วก็มีพรหมท ร, รัพย์<ม>เป็นทรัพย์ของพรหมแล้วก็มีอริยทรัพย์<ม>เป็นทรัพย์ของพระอาริยบุคคล นี่คือทรัพย์ชนิดต่างๆที่เรียกว่าเป็นทรัพย์ภายในคือเป็นทรัพย์ที่จะอยู่ภายในใจแล้วก็จะไปกับใจเวลาที่ร่างกายนี้ตายไปแล้วส่วนทรัพย์ภายนอกคือทรัพย์สมบัติข้าวของเงินทองต่างๆทรัพย์ทางโลกรธรรมคือลาภยศสรรเสริญ และความสุขทางตาหูจมูกนิ้วกายเป็นทรัพย์ภายนอกที่ใจไม่สามารถเอาติดตัวไปได้ต่อให้มีมากมีน้อยเพียงไรก็ตา ม, มก็จะไม่สามารถเอาติดตัวไปได้เลยแม้แต่ชิ้นเดียว<ม>แต่ทรัพย์ภายในนี้เป็นทรัพย์ที่ใจสามารถเอาไปกับใจได้ และเอาไปใช้ในโลกทิปต่อไปได้จึงไม่ควรประมาทในเรื่องของทรัพย์ภายในว่าไม่ใช่เป็นเรื่องจริงเรื่องทรัพย์ภายในนี้เป็นเรื่องจริงป็นเรื่องที่พระพุทธเจ้าและพระอาลหาันตถาภามิทั้งหลายได้ศึกษาได้ปฏิบัติ ได้เข้าถึงแล้วก็ได้นําำมาเผยแผ่สั่งสอนให้กับสาธุชนพุทธบริษัทเพื่อที่จะได้นํำมาไปปฏิบัติเพื่อที่จะได้รับประโยชน์ของทรัพย์ต่างๆเหล่านี้ได้วิธีสร้างทรัพย์ต่างๆเหล่านี้ก็เกิดก็เกิดจากการปฏิบัติ ทำตามคำสั่งคำสอนสามข้อใหญ่ๆ ห, ห, หญ่ด้วยกันคือข้อที่หนึ่งทำบุญทาทานข้อที่สองรักษาศีลข้อที่สามบำเพ็ญจิตตภาวนาการากระทำเหล่านี้จะทำให้เกิดทรั์ภายในในระดับต่างๆได้ตามลำดับ เบื้องต้นก็สร้างทรัพย์ภายในที่เรียกว่าเทวทรัพย์ก่อนสร้างสวรรค์ชั้นเทพขึ้นมาก่อนวิธีจะสร้างสวรรค์ชั้นเทพก็ต้องมีการทำบุญทำทานอย่างสม่าเสมอแล้วก็มีการรักษาศีลห้าให้เป็นปกติเป็นนิจศีลคือจะไม่ทำบาป ห้าข้อด้วยกันคือการฆ่าสัตว์การลักทรัพย์การประพฤติผิดในการการพูดปดและการดื่มสุรายาเมาของมุนเมาต่างๆถ้าทำสองข้อนี้ได้ก็จะได้เทวทรัพย์ในชั้นต่างๆมีอยู่หกชั้นด้วยกัน ก็อยู่กับว่าทาบุญทาทานมากหรือน้อย mm hmm. ถ้าทาบุญทาทานมากและรักษาศีลห้าได้อย่างสม่าเสมอก็จะได้ mm hmm. สวรรค์ชั้นที่สูง mm hmm. มีหกชั้นด้วยกันอยู่ที่ทำมากหรือน้อยถ้าทาบุญทาทานเสียสละทรัพย์สมบัติหนึ่งในหก ของทรัพสมบัติที่มีอยู่เช่นมีเงินเดือนหกพันทำทำไปหนึ่งพันก็เท่ากับทำหนึ่งในหกก็จะได้สวรรค์ชัน 2, 000, <c oughs> ้นชั้นที่หนึ่งถ้าทำสองพันก็จะได้สวรรค์ชั้นที่สองไปจนถึงถ้าทำหกพันมีหกพันก็เอาไปทำหมดเลยก็จะได้สวรรค์ชั้นที่หกอันนี้พูดเป็นตัวอย่างซึ่งสัดส่วน ของการทำบุญนี้มันต่างกันของแต่ละคนจำนวนอาจจะต่างกันเช่นคนที่มีหกพันทำหนึ่งพันก็ได้สวรรค์ชั้นที่หนึ่งคนที่มีหมื่นสองอยากจะได้สวรรค์ชั้นที่หนึ่งก็ต้องทำสองพันเพราะว่าจะได้สัสดส่วนในการทาบุญเท่ากันสัสดส่วนของทรัพย์สินที่ได้บริจาคไปคือหนึ่งในหกอันนี้พูดเปรียบเทียบให้เห็นว่า มันไม่ได้อยู่ที่ตัวเลขเพียงอย่างเดียวในการทำบุญทำทานที่จะวัดว่าทำมากทำน้อยมันอยู่ที่สัดส่วนของท ร, รัพย์สินที่เราบริจาคไปว่าเราบริจาคเท่าไหร่จำนวนเท่าไหร่หนึ่งหนึ่งใน 6, หกหรือสองใน 6, หกหรือสามในหกเป็นต้นดังนั้นคนรวยคนจนนี่อาจจะทำบุญ ทำทานเงินทองทำไปไม่เท่ากันแต่สัดส่วนของทรัพย์สินที่บริจาคไปอาจจะเท่ากันก็ได้ก็จะทําให้ได้สวรรค์ชั้นเดียวกันดังนั้นคนที่มีเงินมีทองน้อยอย่าไปคิดว่าต้องมีเงินทองมากๆจึงจะสามารถทําบุญได้มากมคนที่มีเงินทองน้อยก็สามารถทําบุญได้มากมเช่นเดียวกับคนที่มีเงินทองมาก เพราะมันไม่ได้อยู่ที่ตัวเลขของเงินทองเพียงอย่างเดียวมันอยู่ที่สัดส่วนของทรัพย์สินของที่เราเอาไปทำบุญทำทานนั้นว่าเป็นสัดส่วนเท่าไหร่ร้อยละเท่าไหร่ร้อยละสิบร้อยละยี่สิบร้อยละสามสิบเป็นต้นอันนี้จะเป็นเหตุให้ไปสวรรค์ชั้นต่างๆส่วนสีนที่ให้รักษาไว้นี้ก็เพื่อที่จะได้ป้องกัน ไม่ให้จิตใจลงต่ำนั่นเองไม่ให้ไปเกิดในอบายเพราะว่าถ้าทำบุญอย่างเดียวไม่รักษาศีลยังทำบาปอยู่เรื่อยๆโอกาสที่จะต้องไปชดใช้กรรมในอบายก็มีอยู่และอาจจะเป็นตัวกันไม่ให้ได้ไปรับผลบุญในสวรรค์ต้องไปรับผลบาปก่อน ถ้าบาปที่ได้สะสมไว้ในใจมีมากกว่า บ, บุญที่ได้ได้สะสมไว้เวลาที่ร่างกายตายไปบาปจะมีกำลังมากกว่า บ, บุญที่ได้ทำเอาไว้บาปก็จะดึงใจให้ไปเกิดในอบายสี่ที่ด้วยกันขึ้นอยู่กับสาเหตุของการกระทำบาปถ้าทำบาปด้วยความหลงความไม่รู้ว่าเป็นบาปก็จะไปเป็นสัตว์เดรัจฉาน ถ้าทำบาปด้วยความโลภอยากได้มากๆ<ม>อยากมีมากๆก็จะไปเป็นเปรต<ม>ถ้าทำบาปด้วยความกลัวก็จะไปเป็นนสุลกาย<ม>ถ้าทำบาปด้วยความอาฆาตพยาบาท<ม>โกรธเกลียดเคียดแค้นก็จะไปนรก<ม><ม>จึงจำเป็นอย่างยิ่ง<ม>ถ้าต้องการจะ ให้บุญที่เราได้สะสมไว้ที่เป็นทรัพย์ภายในนี้แสดงผลเราก็ต้องทำบุญมากกว่าการทำบาปด้วยการรักษาศีลห้าให้เป็นปกติพยายามรักษาให้ได้ทุกวันทุกเวลาตั้งแต่ตื่นจนหลับแล้วบาปก็จะไม่มีหรือมีน้อยแล้วถ้าเราทำบุญอยู่เรื่อยๆตามกำลังของเรา เราก็จะมีบุญมากกว่าบาปเวลาที่ร่างกายนี้ตายไปแล้วบุญที่สะสมอยู่ในใจที่มีมากกว่าบาปก็จะดึงใจให้ไปอยู่ในสวรรค์ชั้นต่างๆหกชั้นด้วยกันขึ้นอยู่กับปริมาณของการเบริกจากรัรับสมบัติข้าวของเงินทองว่าเบิจากมากหรือเบอิจากน้อย อันนี้ก็คือซัพ์ชั้นที่หนึ่งที่พระเจ้าทรงสอนให้ชาวพุทธลำสร้างกันเพราะซัพ์เหล่านี้เป็นเหมือนขั้นบันไดก่อนที่จะไปสู่ซัพ์ขั้นที่สองได้ก็ต้องผ่านการตั้งซัพ์ชั้นที่หนึ่งก่อนแล้วถึงไปสู่ชั้นที่สองแล้วไปสู่ชั้นที่สามตามลําดับเพราะ การสร้างทรัพย์เหล่านี้มีความยากง่ายต่างกันนั้นเองทรัพย์ชั้นที่หนึ่งนี้เพียงแต่รักษาสีห้าแล้วบ่อยจากทรัพย์สมบัติข้าวของเงินทองที่มีเหลือกินเหลือใช้ที่ไม่จำเป็นจะต้องเก็บเอาไว้ก็สามารถที่จะไปไปสวรรค์ชั้นเทพได้สะสมทรัพย์สะสมทรัพย์ชั้นเทพได้ เรียกว่าเทวทรัพย์ <Okay. S 1> เมื่อร่างกายตายไปก็จะมีทรัพย์ติดตัวไปเป็นเทวทรัพย์ก็จะไปอยู่บนสวรรค์ชั้นต่างๆของชั้นของเทพหกชั้นด้วยกันพอเราได้สวรรค์ชั้นเทพแล้วเราถ้าปรารถนาสวรรค์ที่สูงกว่าที่มีความสุขมากกว่าที่มีความทุกข์น้อยกว่าก็เราก็ต้องบำเพ็ญ การปฏิบัติให้มากขึ้นคือศีลเราก็ต้องเพิ่มศีลจากศีลห้าขึ้นมาเป็นศีลแปแล้วก็ต้องมีเวลาให้กับการเจริญสมถภาวนาคือการทำใจให้สงบด้วยการเจริญสติให้อยู่กับกรรมฐานก็จะสามารถ จะสร้างทรัพย์ขั้นที่สองคือพรหมทรัพย์ขึ้นมาได้เพราะการที่จะได้ความสุขของพรหมนี้จําเป็นที่จะต้องสละความสุขของเทพหรือความสุขที่ได้จากการเสพ ร, รูปเสียงกษษิ่นรดโภชนาการชนิดต่างๆเพื่อที่จะได้มาเสพความสุขที่เกิดจากความสงบ ดังนั้นจึงต้องเพิ่มศีลอีกสามข้อขึ้นมาศีลสามข้อนี้มีเพื่อที่จะกันไม่ให้ไปหาความสุขในการเสพรูปเสียงกลิ่นรสผลสัพพะชนิดต่างๆเช่นศีลข้อที่สามการไม่ประพฤติผิดในการมก็เปลี่ยนมาเป็นกา ร, รุ ป, ประพฤติพรหมจรรย์คือการไม่มีการร่วมเพศหลับนอนกับใคร ไม่ให้หาความสุขจากการร่วมหลับนอนถึงแม้จะเป็นคู่ครองของตนก็จะต้องสละไปเพื่อที่จะได้เอาเวลามาให้กับการเจริญสัมมาภาวนาเจริญสตินั่งสมาธิเพื่อทำใจให้สงบสินสินแปนี้สินสข้อสามสินข้อสามของสินแปกับสินห้าจึงต่างกัน ถ้าเคยถือศีลห้าก็ถือการว่าระพฤติผิดในการการเมสุวิชชาจาราเวรมณียังสามารถร่วมหลับนอนกับคู่ครองของตนได้แต่จะไม่ร่วมหลับนอนกับบุคคลอื่นที่ไม่ใช่เป็นคู่ครองของตนแต่พอมาถือศีลแปดก็จะยุติกิจกรรมการร่วมเพศกันเลยไม่ว่าจะกับใครก็ตามแล้วก็มาเพิ่มศีลข้อที่หก คือไม่รับประทานอาหารหลังเที่ยงวันไปแล้วไม่ให้หาความสุขจากการรับประทานการดื่มมากจนเกินไปให้ดื่มให้รับประทานพอประทังชีพพอเลี้ยงร่างกายให้อยู่ได้ก็พอไม่มีความจำเป็นที่จะต้องรับประทานกันทั้งวันทั้งคืนถ้าถือศีลห้าก็จะไม่มีข้อห้ามอันนี้ก็สามารถที่จะดื่มจะรับประทานอะไรได้ตลอดเวลา ตั้งแต่ตื่นจนหลับเลยแต่การดื่มการรับประทานอาหารแบบไม่มีขอบมีเขนี้มันก็จะเป็นภาระมันก็จะเป็นปัญหาเวลาที่จะมาเจริญส ม, มะถะภาวนามาทำจิตใจให้สงบได้เพราะว่าการรับประทานมากๆ ม, ม, มันก็จะทำให้เกิดความง่วงเหงาหงานอนเกิดความเกลียดข้างขึ้นมา ก็จะไม่อยากเดินจงกรมไม่อยากนั่งสมาธิไม่อยากฟังเทศฟังธรรมเป็นต้นพอกินอิ่มล้วก็อยากจะหาหมอนไว้นอนก็เลยจําเป็นที่จะต้องลดการรับประทานอาหารคือให้รับประทานพอเลี้ยงร่างกายได้ก็พอร่างกายถ้าได้ ร, ร, รับอาหารวันละมือ้อสองมื้อนี่ก็เหลือกินแล้วเหลือเฟือแล้วไม่จําเป็นจะต้องรับประทานสี่ห้ามือ้อ ตามความอยากอันนี้เป็นการส่งเสริมกามาฉันทะที่เป็นนิวรณ์เป็นตัวมาสร้างอุปสรรคต่อการเจริญสติต่อการนั่งสมาธิจะทําให้ไม่มีเวลามานั่งสมาธิด้วยขโมยแต่จะเเวลาไปดื่มไปรับประทานตลอดเวลานี่คือหน้าที่ของศีลข้อหกศีลข้อเจ็ดก็คือ ไม่ให้หาความสุขจากการดูมหรสพบันเทิงต่างๆหรือไปเที่ยวตามสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆหรือไปงานเลี้ยงต่างๆไปสังสรรค์ไป ส, สังคมกันเพราะอันนี้จะทำให้ไม่มีเวลามาให้กับการปฏิบัติการดเนินสมถะ ภ, ภาวนานี้เองแล้วก็ไม่ให้เสียเวลากับการ เสริมสวยความงามของร่างกายด้วยเสื้อผ้าผ่อนที่วิจิตพิสดารด้วยเครื่องสมางต่างๆด้วยน้ํามันด้วยน้ําหอมเป็นต้นเพราะการกระทําเหล่านี้เป็นการเสพกามกลามคุณภาอยากให้ร่างกายดูสวยงามมีกลิ่นหอมอันนี้เป็นการเสพรูปเสียงกลิ่นลดทอนสภาวะของร่างกายของตนเอง แล้วก็ข้อที่แปดก็คือไม่หลับนอนมากจนเกินไปให้หลับนอนพอพักผ่อนร่างกายได้ก็พอซึ่งปกติร่างกายวันหนึ่งถ้าได้นอนประมาณสี่ห้าชั่วโมงก็ก็พอเพียงถ้าอยากจะให้ร่างกายไม่นอนมากจนเกินไปก็นอนต้องนอนบนพื้นที่แข็งแข็งที่ไม่มีเบาะไม่มีฟูกหนาหนาที่เป็นเตียงสำราญเป็นต้น เพราะถ้านอนันพูกนะนะ์หนาเวลาร่างกายได้พักผ่อนสี่ห้าชั่วโมงตื่นขึ้นมาแล้วใจก็จะไม่อยากจะลุกเพราะความสบายของที่นอน mm. ก็อาจาจะทำให้นอนต่อไปอีกสองหรือสามชั่วโมงหรือมากกว่านั้นก็ได้ mm. ก็จะทำให้เสียเวลาอันมีค่าของการปฏิบัติไปจะไม่มีเวลาให้กับการปฏิบัติได้ mm. นี่คือถ้าอยากจะยกระดับความสุข อยากจะสะสมทรัพย์ที่สูงขึ้นกว่าเทวทรัพย์ก็คือพรหมทรัพย์นี่ก็ต้องละเว้นการหาความสุขทางกามคุณห้าเรียกว่าปฏิบัติเนคขมมะเนคขมมะนี่แปลว่าการออกจากการเสพกลางโดยเข้าสู่การเสพความสงบที่เกิดจากการเจริญสตินั่งสมาธิ ที่เราเรียกว่าจิตตภ า, า, าวนาสมถะภาวนาสมถะภาวนานี้ก็คือการฝึกจิตให้นิ่งให้สงบด้วยการนั่งเฉยๆนั่งหลับตาดูลมหายใจเข้าออกเป็นอารมณ์ก็ได้ลมหายใจดูลมหายใจเข้าออกนี้ก็เป็นกรรมฐานอย่างหนึ่งเป็นอารมณ์ที่จะผูกใจไว้ไม่ให้ลอยไปกับความคิดต่างๆ หรือจะใช้อย่างอื่นก็ได้ใช้คำบริกรรมพุทธโธพุทธโธก็ได้หรือจะใช้การพิจารณาอาการสามสิบสองก็ได้ผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเป็นต้นหรือจะใช้บทสวดมนต์ไปก่อนก็ได้ถ้าไม่สามารถใช้วิธีอื่นได้ก็เอาวิธีสวดมนต์ไปก่อนก็ได้เพราะบางทีจิตอาจจะฟุ้งมากคิดมาก ไม่สามารถผูกไว้กับลมไม่สามารถผูกไว้กับพุทธโธไม่สามารถพิจารณาอาการสามสิบสองได้ mm hmm. ก็หาบทสวดมนต์ที่จดจําได้มาสวดไปพังพังก่อนเพื mm ่อ hmm. ก, กล่อมใจให้สงบระ ง, งับจากความคิดฟุง้งซ่านต่างๆก่อนแล้วค่อยเปลี่ยนมาใช้กรรมฐานอย่างอื่นต่อไปก็ได้ mm hmm. ถ้าสามารถ ทำนั่งสมาธิจนทั้งจิตเนี่งสงบรวมเป็นสมาธิได้เป็นอารมณ์เดียวเรียกว่าสักแต่วรู้เอกขกกตาลมมีความสงบมิสุขเป็นความสุขที่เหนือกว่าความสุขทั้งปวงมีอยูเบกขาือใจยเป็นกลางหลาศจากความรักชังกลัวหลงอันนี้ก็จะได้เข้าถึงโตรมสัพ ต้าร่างกายตายไปใจก็จะสามารถเข้าสู่สวรรค์ชั้นพรมได้แต่สวรรค์ชั้นเทพก็ดีสวรรค์ชั้นพรมก็ดีนี้ก็ยังเป็นของชั่วคราวอยู่ยังอยู่ภายใต้กฎอนิจจังคือเจริญได้ก็เสื่อมได้เวลาทำบุญเวลาไวรับผลบุญในสวรรค์ชั้นเทพพอพอผลบุญนั้นหมดลง ก็ต้องกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่เช่นเดียวกับสวรรค์ชั้นพรหมพอกำลังของฌานของสมาธิหมดลงก็จะต้องลงมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่มาเริ่มต้นใหม่มามารักษาศีลใหม่มาทาบุญทาทานใหม่มาฝึกสติมานั่งสมาธิใหม่ไปก็ยังจะติดอยู่ในกองทุกข์แห่งการเวียนว่ายตายเกิดอยู่ไปเรื่อยๆแต่อย่างน้อยก็เวียนว่ายตายเกิดในสุคติ ดีกว่าการไปเวียนไหวในทุกขติคือการไปเกิดในอบายสี่สถานนี่ก็คืออ น, นิสง์หรือผลบุญที่เราได้รับจากการเจริญทรัพย์สองระดับระดับแรกก็คือเทพบพยรระดับที่สองก็คือพรหมรทรัพย์ถ้าเราอยากจะได้ทรัพย์ที่ยั่งยืนถาวรที่จะอยู่กับเราไม่เสื่อมเราก็ต้องบำเพ็ญ สร้างอริยทรัพย์ขึ้นมาถ้าเรามีอริยทรัพย์แล้วอริยทรัพย์ที่เราได้นี้จะอยู่กับใจจะไม่เสื่อมไปกับใจและจะทำให้ใจไม่ต้องกลับมาเวียนว่ายตายเกิดอีกต่อไปถ้าได้ทรัพย์ได้อริยทรัพย์ขั้นที่สี่คือขั้นพระอรหั น, หนตทรัพย์อริยทรัพย์นี้ก็มีแบ่งไว้สี่ลำดับด้วยกันโสดาปฏิโสดาบันขั้นที่หนึ่ง ัขั้นที่หนึ่งทรัพย์ของพระโสดาบันขั้นที่สองทรัพย์ของพระสกิรดาคามีขั้นที่สามพระอนาคามีและขั้นที่สี่คือทรัพย์ของพระอาหารหันต์ถ้าได้ขั้นที่หนึ่งนี้ก็จะสามารถตัดภพชาติให้เหลือไม่เกินเจ็ดชาติเป็นอย่างมากได้แล้วกลับมาเกิดในการมาพบคือพบของมนุษย์นี้ไม่เกินเจ็ดชาติ ก็สามารถที่จะเข้าถึงพระนิพพานได้ถ้าได้ขั้นที่สองพระสกีดาคามีซับ<ม>ก็จะตัดพกชาติให้เหลือเพียงหนึ่งชาติตายแล้วจะกลับมาเกิดเป็นมนุษย์อีกครั้งเดียว<ม>ก็จะสามารถขึ้นสู่ธรรมขั้นที่สูงกว่าได้คือขั้นที่สามคือขั้นพระอนาคามีถ้าได้ขั้นที่สามขั้นพระอนาคามีนี้ ก็จะตัดพบการกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ได้ไม่ต้องกลับมาเกิดเป็นมนุษย์อีกต่อไปแต่ยังต้องไปเกิดอยู่เป็นเป็นพรหมอยู่ในสวรรค์ชั้นพรหมสองระดับสวปปรรค์รูปประพรหมและอรูประพรหมแล้วก็จะสามารถเข้าถึงพระนิพพานได้จากจากสวรรค์ชั้นพรหมเข้าสู่พระนิพพานได้ถ้าได้บรรลุอริยสัพพัคติสี่ 4, คือขั้นพระอรหันต พอได้อริยทรัพย์เข้าที่สื่อคือทรัพย์ของพอระอรหันต์แล้วก็จะได้เข้าสู่พระนิพพานต่อไปตามลําดับ mm hmm. เมื่อได้เข้าถึงนิพพานแล้วก็จะยุติการเวียนว่ายตายเกิดจะไม่ต้องกลับมาเกิดมาแก่มาเจ็บมาตายอย่างที่เราเป็นกันอยู่อย่างนี้กัน mm hmm. กลับมาเกิดสูงบ้างต่ำบ้างตามอำนาจของบุญของบาป ท, ที่เราทําไว้ ไม่ว่าจะเกิดสูงหรือเกิดต่ำเกิดร่ำรวยหรือเกิดยากจนเมื่อถึงเวลาก็จะต้องตายไปเหมือนกันทุกคนตายไปแล้วก็ต้องไปรับผลบุญผลบาป ท, ที่ได้ทําไว้ก่อนแล้วก็กลับมาเกิดแก่เจ็บตายเวียนว่ายตายเกิดอย่างนี้ไปเรื่อยๆจนกว่าจะสามารถเข้าสู่ขั้นอริยสัพพได้การจะเข้าสู่ขั้นอริยสัพพก็ต้องปฏิบัติจิตตภาวนาอีกขั้นหนึ่งที่เรียกว่าวิปัสนาภาวนา คือการเจริญปัญญาให้ใจให้เห็นสัจธรรมความจริงของสภาวะธรรมทั้งปวงไม่ว่าจะเป็นสวรรค์ชั้นไหนภพไหนชาติชั้นไหนก็ตามล้วนเป็นไตร ล, ลักษณ์ทั้งนั้นล้วนเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาถ้าไปติดกับกลางก็จะต้องเวียนว่ายตายเกิดอ ย, อยู่ไปเรื่อยๆถ้าไปติดกับรูปฌปานหรืออรูปฌานก็จะต้องไป กลัมาเวียนว่ายตายเกิดมาแต่แสวงหารูปประชาชนรูปประชาชอยู่เรื่อยๆถ้ให้เห็นว่าสิ่งเหล่านี้เป็นอนิจจังเป็นของไม่เที่ยงไม่สามารถให้ความสุขแบบยั่งยืนได้ไม่สามารถเก็บเอาไว้เป็นสมบัติได้อย่างอย่างยั่งยืนถาวรถ้าอยากจะให้มันอยู่กับเราแล้วมันไม่อยู่กับเราก็จะทําให้เกิดความทุกข์ขึ้นมาได้ให้ เกิดการกลับมาเวียนว่ายตายเกิดอยู่เรื่อยๆไดนะ้ก็ต้องตัดให้หมดไปตัดความยินดีความอยากเสพการตัดความอยากเสพรูปประชานตัดความอยากจะเสพ ร, รูปประชานะเห็นอริยสัจสี่เห็นว่าความอยากนี้ทำให้เกิดความทุกข์ใจนะถ้าไม่อยากให้ใจทุกข์อยากให้ใจนิ่งสงบ ก, นะก็ต้องไม่มีความอยากกับสิ่งเหล่า น, นี้อีกต่อไป พอเห็นด้วยตายรักว่าสิ่งเหล่านี้เป็นอนิจจังทุกขงังอนัตตาก็จะสามารถที่จะตัดความอยากต่างๆตัวที่เป็นเหตุให้พามาเวียนว่ายตายเกิดในไตรภพได้ถ้าติดในกายก็ต้องกลับมาเกิดในกาย ม, มาพบถ้าติดในรูปฌานก็ต้องกลับมาเกิดในรูปภพถ้าติดในอรูปฌานก็ต้องกลับมาเวียนว่ายตายเกิดในอรูปภพไปเรื่อยๆ ถ้าไม่ติดทั้งสามก็จะเข้าสู่พระนิพพานได้นี่คือทรัพย์ต่างๆที่เราสามารถสร้างกันได้ในขณะที่เรามีชีวิตอยู่โดยเฉพาะทรัพย์อันดับที่สามคืออริยทัพย์นี้จะต้องมีศาสนาพุทธมาเป็นผู้สั่งสอนถ้ามาเกิดในยุคที่ไม่มีพระพุทธศาสนาก็จะไม่สามารถสะสมทรัพย์ขั้นที่สามคืออริยทรัพย์ได้ ก็จะสามารถสะสมได้เพียงแต่เทวทรัพย์หรือพรหมรัพย์ไปแล้วก็ต้องเวียนว่ายตายเกิดไปเรื่อยๆแต่ถ้าได้มาพบกับพระพุทธศาสนาก็สามารถต่อยอดขึ้นไปสู่อริยซัย์ได้เมื่อเข้าสู่อริยซัย์ก็จะสามารถตัดพบชาติตัดการเวียนว่ายตายเกิดตามลำดับของอริยซั์จนไม่มีภพชาติเหลืออยู่อีกต่อไปได้ อันนี้คือเกียรติที่พระเจ้าต้องการให้สาธุชนพุทธบริษัทมาแล่งทําความเพียรกันปกติก็จําเป็นจะต้องทํามาหากินก็ไปทำมาหากินกันแต่ต้องควรจะมีอย่างน้อยอาทิตย์ละหนึ่งวันให้มีเวลามาให้กับการสร้างทรัพย์ภายในกันบ้างเพื่อที่จะได้มีทรัพย์ติดตัวไปถ้าได้ทรัพย์ขั้นสูงสวยก็จะได้ไม่ต้องกลับมาเวียนว่ายตายเกิดอีกต่อไป นี่ก็คือเรื่องราวของการแสดงธรรมที่เอามาฝากท่านในวันนี้ก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาเพราะเดี๋ยวนี้เราแบ่งการแสดงธรรมให้กับการปฏิบัติธรรมอีกสามสิบนาทีด้วยกันปกติเคยแสดงหนึ่งชั่วโมงก็ตัดเหลือสามสิบนาทีแล้วเวลาที่เหลืออีกสามสิบนาทีต่อไปนี้มาให้กับการปฏิบัติธรรม คือการเจริญสมถะภาวนา<ม>เป็นการปฏิบัติธรรมขั้นแรกที่จำเป็นจะต้องทำก่อนก่อนที่จะไปสู่การปฏิบัติขั้นที่สองคือขั้นวิปัสนาภาวนา<ม>ตอนนี้เรามาสร้างเทมาซั์เรามาสร้างพรมาซั์กันก่อนด้วยการทําใจให้สงบให้เข้าสู่ฌานขั้นต่างๆให้ได้<ม>พรมาซั์ก็มีหลายระดับหลายชั้นด้วยกันจําไม่ได้ว่ามีกี่ชั้น ก็สามารถไปศึกษาในตำราได้ก็อยู่กับกาลังของฌานที่เราเข้าถึงว่าเข้าสู่ฌานท่้นไหนบ้างก็จะได้สวรรค์ที่ต่างกันไปตามกำลังของฌานที่ได้กั น, mm hmm. นวิธีที่จะทำให้ใจเรานิ่งสงบให้เข้าฌาน mm hmm. ให้เข้าสมาธิได้ mm hmm. เวลานั่งเราต้องมีสติคือการเราเลิกรู้คอยกากับใจให้ เ, เลึกรู้อยู่กับกรรมฐาน ที่เป็นเครื่องผูกใจไม่ให้ลอยไปกับความคิดต่างๆที่จะทำให้ใจนิ่งสงบได้กรรมฐานก็มีหลากหลายชนิดด้วยกันที่เราสามารถเลือกใช้ได้ตามอัธยาศัยตามความถนัดก็ที่มาเล่ามาให้ฟังก็เป็นตัวอย่างเช่นการดูลมหายใจเข้าออกที่ปลายจมูกก็ดีหรือที่หน้าท้องก็ดีเรียกว่าอานาปนสติก็สามารถถ้า ดึงใจไว้ไม่ให้ลอยไปกับความคิดทำให้ใจนิ่งสงบได้หรือจะใช้คำบริกรรมพุโทโธพุโทโธไปก็เป็นกรรมฐานอีกอย่างหนึ่งที่จะสามารถดึงใจให้เข้าสู่ความสงบได้ถ้ายังไม่สามารถที่จะดูลมหรือบริกรรมพุโทโธได้ก็าอาจจะต้องอาศัยการใช้การสวดมนต์ไปฟังพาก่อนเพราะใจอาจจะคิดมากพุ่งมาก ไม่สามารถผูกใจให้อยู่กับรมหรือผูกใจให้อยู่กับบริกรรมพุทธโธได้หรือบางท่านอาจจะใช้การสวดบทอาการสามสิบสองก็ได้หรือสวดบทแผ่เมตตาก็ได้หรือจะใช้การเพ่งที่เรียกว่ากระสินก็ได้เพ่งสีสีแดงสีเขียวสีขาวเป็นต้นเป็นเครื่องผูกใจได้เหมือนกันอันนี้ก็แล้วแต่ อัตยาสายแล้วแต่ความถนัดเคยใช้วิธีไหนที่ได้ผลทำให้จิตนิ่งสงบเข้าสมาธิได้ก็ขอให้ใช้วิธีนั้นไปไม่จาเป็นที่จะต้องใช้วิธีที่เหมือนกันทุกคนเพราะเจริญนิสัยของแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันนั่นเองความพอใจความชอบใจก็เลยไม่เหมือนกันก็ขอให้เลือกเอาอย่างใดอย่างหนึ่งหรืออาจจะต้องเปลี่ยนขั้นต้นอาจจะใช้การสวดมนต์ แล้วพอใจเริ่มสงบเริ่มเบาก็อาจจะเปลี่ยนมาดูลมแล้อเปลี่ยนมาบริกรรมพุทโธต่อก็ได้อันนี้ผู้ปฏิบัติก็ต้องรู้จักปรับปรุงไปตามเหตุตามผลของตนแต่เป้าหมายของสําคัญก็คืออย่าปล่อยให้ใจคิดบุงแต่งอย่าปล่อยให้ไปคิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้ในเวลานั่งท่ามีอะไรปรากฏขึ้นมาในใจจะมาทางทางหูก็คือเสียงต่างๆก็อย่าไปสนใจ หรือถ้าจะปรากฏเป็นภาพเป็นอะไรเป็นรูปก็อย่าไปสนใจเป็นแสงเป็นสีอะไรก็อย่าไปสนใจอย่าไปตามรู้ให้ดึงใจกลับมาอยู่ที่กรรมฐานที่เรากำลังใช้อยู่ในขณะนั้นเราต้องผูกใจไว้กับกรรมฐานใจถึงจะนิ่งได้ใจเป็นเหมือนเรือเวลาที่เราอยากจะให้เรือนิ่งนี่เราต้องเอาเอาผูกเรือไว้กับท่าน้ำท่าเรือเรือก็จะได้ไม่ไหลไปตามกระแสน้า แต่ถ้าเราไม่ผกูกเรือไว้กับท่าน้าหรือท่าเรือเวลากระแสน้าไหลมามันก็จะสามารถพัดพาให้เรือไหลไปได้หันในใจเราก็เหมือนกันใจเราเป็นเหมือนเรือที่มักจะลอยไปกับกระแสน้ากระแสน้าที่อยู่ใน ใ, นใจก็คือกระแสของความคิดปรุงแต่งต่างๆเราอย่าไหลไปกับความคิดปรุงแต่งมันจะคิดอะไรเราก็อย่าไปไหลาตามเวลานั่งใหม่ๆนี้เราหยุดความคิดไม่ได้ แต่เราสามารถไม่ให้ความสนใจกับมันได้ด้วยการถ้าเราผูกใจไว้กับกรรมฐานของเราไปเรื่อยๆแล้วต่อไปเมื่อสติเรามีกําลังมากขึ้นมากขึ้นใจก็จะสามารถนิ่งมากขึ้นได้หยุดตามกระแสความคิดต่างๆได้พอหยุดได้ใจก็จะนิ่งสงบเกิดความสุขขึ้นมาเวลาสงบแล้วก็ไม่ต้องถามว่าต้องทำํำไงต่อเพราะถ้ามันสงบจริงนี้มันจะเกิดความสุขความรู้สึกที่สุขอย่างมหาสัจจร์ใจ จิตใจไม่เคยพบกับความสุขแบบนี้มาก่อนที่พุเจ้าทรงตรัสว่าลดนัตติสันติพลังสุขของสุขอื่นที่เหนือกว่าความสงบไม่มีถ้าได้พบกับความสุขที่เกิดจากความสงบแล้วก็จะพยายามประคองให้อยู่ในความสงบไปให้นานที่สุดเท่าที่แยงงานได้จนกว่ากําลังสติหมดกาลังลงก็ถึงจะค่อยถอนออกมาจากสมาธิ แลวเวลาถอนออกจากสมาธิก็ให้พิจารณาสังเกตดูว่าวันนี้นั่งแล้วสงบดีหรือไม่ดีถ้าสงบดีก็สังเกตเวลาวิธีนั่งว่านั่งอย่างไรถึงทำให้สงบดีแล้วคราวหน้าเวลามานั่งต่อก็ใช้วิธีนั้นได้ต่อไปเลยโดยไม่แต่อย่าไปนั่งคราวหน้าแล้วอยากให้มันสงบเพราความอยากให้สงบไม่สามารถทาใจให้นิ่งให้สงบได้ต้องนั่งตามวิธีที่ถูกต้องที่ทาให้ใจสงบเท่านั้น น, นี่ก็คือวิธีการนั่งสมาธิที่ให้ท่านทั้งหลายได้นําออกไปใช้กันต่อไปเราก็จะมานั่งสมาธิไปไปจนกว่าจะหมดเวลาตอนนี้เวลาสำหรับการนั่งสมาธิก็ได้หมดลงแล้วก่อนที่จะเลิกก็ให้สังเกตดูวิธีนั่งของเราว่าวันนี้นั่งแล้วสงบดีหรือไม่ดี ถ้าสงบดีก็ให้จดจำวิธีนั่งไว้วิธีตั้งสติไว้ว่าทำอย่างไรแล้วคราวหน้าก็ามาใช้วิธีเดิมต่อจิตก็จะสงบได้เหมือนเดิมแต่ถ้านั่งแล้วอยากจะให้มันสงบจิตจะไม่สงบต้อง จ, จดจำวิธีที่ทำให้จิตสงบแล้วไปทำต่อถ้านั่งเรายังไม่สงบก็แสดงว่าสติยังมีน้อยก็ต้องพยายามเจริญสติในระหว่างวันให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้ ตั้งแต่ลืมตาขึ้นมาจนกระทั่งไปนอนหลับเลยพยายมมีสติปลูกไว้กับกรรมฐานอย่างใดอย่างหนึง่งอยู่กับลมก็ได้อยู่กับพุทโธก็ได้อยู่กับการดูการเคลื่อนไหวของร่างกายก็ได้แล้วต่อไปจะมีสติมากขึ้นแล้วนั่งสมาธิจะสงบได้ง่ายขึ้นได้เร็วขึ้นแล้วต่อไปนี้ก็จะขออนุโมทนาให้พร ยะถาวาริวหัปุราปาริกุเรนติสากหลังเอวเมวอิโตทินังเปตางนังมุปการปติยทิตังปทิตังตุมหังคิพะเมว่าสมิจฉะตุสัพเพอปุเรนตุสังกะปาจันโทปนาราโสยะถามณีโชติ ภาคะสุยทธาสัพพิติโยวิวัชันตุสัพพโรโขวินัสตุมัเตภวตวันทรายโสุขีทีขายุโกภวะอภิวาตนาสีริสนิจจังวุฒาปจายโนจตารูธรรมวัานติอายุวันโอสุขัง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 ห้าท่านผู้รับฟังหน้ากุติหนึ่ง้อยสี่สิบแปดท่านรวมทั้งหมดแปด้อยสิบเก้าท่านครับกรับนมัส ก, การพาอาจารกันเจ้าค่ะมีคำถามจากคุณวิริญยาถามเข้ามาว่าแม่ป่วยจิตเวชหาหมอกินยารักษามาหลายปีแล้วก็ยังไม่หายหลวงพ่อแนะนำวิธีปฏิบัติไหน ที่จะช่วยได้บ้างคะหรือเป็นจากเจ้ากรรมในเวรคะต้องแก้ไขอย่างไรคะก็ต้องดึงสติกลับมาให้ได้วิธีดึงสติก็มีหลายวิธีสวดมนต์ไปเรื่อยๆฟังเทศฟังธรรมทำอะไรที่ต้องใช้สติเพื่อจะได้หยุดความคิดต่างๆที่สร้างความวุ่นวายให้กับใจ้นต้องหาวิธีฝึกสติ ทางพุทธศาสนาก็สอนให้เรามันจเจริญพุโทโธพุธโทโธไปทั้งวันก็ได้ถ้าทำได้ไอห้นึกถึงพุโทโธหรือสวดมนต์ไปภายในใจก็ได้เราจะได้สติกับคืนมาแล้วความวุ่นวายความไม่ปกติของจิตก็จะหายไปเจ้าค่ะคำถามต่อไปการฝึกใจไว้กับพุทโธพุทโธในชีวิตประจาวันทาให้ใจนิ่งมากเฉยมากสุข หรือทุกแป๊บเดียวก็หายเหมือนไม่ยินดียินดายกับสิ่งใดไม่สนใจเรื่องคนอื่นแบบนี้ถือว่าฝึกถูกต้องหรือไม่ต้องฝึกอย่างไรต่อไปเจ้าคะ่ะถูกต้องแล้วขั้นต่อไปก็ต้องหาเวลานั่งสมาธิด้วยมีสติแล้วก็ต้องนั่งสมาธิแล้วจิตจะได้สงบได้นิ่งมากขึ้นกว่าการเจริญสติเฉยๆเจริญสติแล้วในระหว่าง พอมีเวลาว่างช่วงไหนห้านาทีสิบนาทีก็นั่งไปเลยแล้วถ้านั่งได้นากนกว่านั้นก็ยิ่งดีแล้วจะทำให้จิตมีความสงบมากขึ้นมีความสุขมากขึ้นวางเฉยได้มากขึ้นเจ้าค่ะจากคุณใบเหรียญกราบนมัสการพระอาจารย์เจ้าค่ะเราจะจะรู้ได้อย่างไรว่าเรากำลังละตัวผู้รู้เหลือเพียงการทุกอย่างถูกรู้เท่านั้น อยากทราบว่าอาการเป็นอย่างไรเจ้าคะเราไม่ละตัวผู้รู้หรอกผู้รู้มันอยู่กับเราตลอดเวลาเป็นเงาตามตัวเราเราละมันไม่ได้ที่ที่เราต้องการจะละก็คือกิเลสเวลาเกิดความโลภขึ้นมาก็ต้องหยุดมันเวลาเกิดความโกรธขึ้นมาก็ต้องหยุดมันเพราะกิเลสทาให้ใจเราทุกข์ตัวรู้ไม่ได้ทำให้ใจเราทุกข์ตัวที่ทาให้ใจเราทุกข์ก็คือกิเลสตัณหาความโลภความอยากต่างๆ ที่เราปฏิบัตินี้ก็เพื่อมาละกิเลตตัวรู้นี่บรรละไม่ได้ตัวรู้มันก็เป็นตัวรู้ของมันอยู่ตลอดเวลาอยไม่ต้องกัวงวลเรื่องตัวรู้ให้กัวงวลเรื่องตัวกิเลสรอบกดหนองคำถามจากทางเฟ e b o o k ค่ะการนั่งสมาธิทดแทนการนอนได้ไหมคะในกรณีที่เรานั่งสมาธิในเวลาที่ร่างกายควรจะนอน จะส่งผลต่อสุขภาพใหมคะการนั่งสมาธินี่เป็นการพักจิตมากกว่าพักร่างกายร่างกายก็พักแต่อยู่ในท่านั่งมันก็ยังไม่ได้พักอย่างเต็มที่ต้องอยู่ในท่านอนเฉะนั้นทุกคนต้องนอนหลับไม่ว่าใครก็ตามถึงเวลาร่างกายต้องการพักผ่อนก็ต้องอยู่ในอิริยาบถในท่านอนถึงจะพักได้เต็มที่ถ้านั่งนี้ก็พักได้ครึ่งหนึ่ง ทางกายแต่พักได้ทางจิตพักได้เต็มที่แต่ถ้าอยู่ในท่านอนทางจิตก็จะไม่ได้พักเพราะจิตจะไม่มีสติแล้วก็จะหลับไปแทนนั้นก็ต้องทําทั้งสองอย่างสมาธิก็ต้องทําการพักผ่อนหลับนอนของร่างกายก็ต้องทำํำตามความต้องการของร่างกายและจิตใจจากคุณจิตติมาเจ้าค่ะเพื่อนร่วมงานโดนมิจฉาชีพหลอกเอาเงินไปหมด แล้วพี่เขาคิดสั้นค่าตัวตายอยากทราบว่าทําบุญใส่บาตกรวดน้ําไปให้พี่เขาจะได้รับผลบุญนี้ไหมคะก็อยู่ว่าเขารอรับอยู่หรือเปล่าถ้าเขารอรับเขาก็จะได้รับแต่ถ้าเขาไม่รอรับก็ก็จะไม่ได้รับเพราะเราไม่รู้ว่าเขาจะไปอยู่ที่ไหนต่อหลังจากที่เขาตายไปแล้วบุญที่เขาทำบาปที่เขาทำมาไหนมันมีมากน้อยกว่ากันเราก็ไม่รู้แต่เรามีหน้าที่ส่งไปก็ส่งไป ก, ก็แล้วกัน ถ้าเขาไม่รับมันก็จะกลับมาที่เราอยู่ดีเจ้าค่ะคุณเบลเลียนถามต่อว่าเมื่อตัวผู้รู้เริ่มคลายหมายความว่าเรากําลังละอัตตาภายในใช่หรือไม่คะเมื่อ ต, ตัวผู้รู้อะไรนะเมื่อตัวผู้รู้เริ่มคลายหมายความว่าเรากําลังละอัตตาภายในใช่หรือไม่คะตัวผู้รู้ไม่มีคลายหรอกตัวผู้รู้ก็รู้อย่างนั้นตลอดเวลา ไอ้ตัวที่คลายก็คือตัวอุปทานความยึดมั่นถือมั่นในสิ่งต่างๆถ้าเราปล่อยวางไม่ยึดมั่นถือมั่นเราก็ใจเราก็จะสงบใจเราก็จะสบายถ้าเราไปยึดมั่นถือมั่นใจเราก็จะทุกข์ขึ้นม า, าเราต้องละการยึดมั่นถือมั่นก็คือละกิเลสเองไอ้ตัวผู้รู้กับสตินี้ตัวเดียวกันไหมคะพระอาจารย์ ตัวสติก็คือตัวที่ดึงให้ตัวผู้รู้ให้รู้อยู่กับอะไรอย่างใดอย่างหนึ่ง<ม>ตัวผู้รู้เป็นเป็นตัวที่รู้อยู่ตลอดเวลาแต่มันก็รู้แบบสเบสะปะสปะแล้วแต่ว่าสังขารจะดึงให้มันไปรู้เรื่องอะไรคิดเรื่องอะไรมันก็รู้เรื่องนั้นแต่ถ้าเราอยากจะให้ตัวผู้รู้ให้รู้อยู่กับเรื่องเดียวเราต้องมีสติคอยดึงเอาไว้สติเป็นเหมือนเชือกที่ผูกดึง คอยดึงลิงไว้ไม่ให้วิ่งไปวิ่งมาเลากรรมาฐานก็เป็นเสาที่เราผูกไว้พอมีเสามีเชือกลิงก็จะไปไหนมาไหนไม่ได้แต่ถ้าไม่มีเชือกไม่มีเสาลิงก็จะไปทั่วป่าทั่วเขาได้ใจถ้าไม่มีสติไม่มีกรรมาฐานมันก็จะคิดเลื่อยเปื่อยไปทั้งวันทั้งคืนเจ้าค่ะจาก youtube พระอาจารย์กราบนรรมศักการค่ะ เมื่อเช้าโยมขับรถชนพระอาจารย์ขอกําลังใจด้วยค่ะโดนที่บ้านบนหนักเลยค่ะขับชนใครนะขับรถชนพระอาจารย์ขอกําลังใจด้วย เ, เจ้าค่ะเป็นหน้าเปล่าเราอยู่ตรงนี้จะไปนชนเราได้หน้าน่าจะประมาณว่าขับรถชนแล้วก็พระอาจารย์ขอเรากําลังใจจากพระอาจารย์ด้วยเจ้าค่ะอาจจะพิมพ์ผิดเจ้าค่ะออก็ ทำะไรผิดไปแล้วก็ตั้งจิตสํานึกไว้ว่าเป็นการผิดพลาดที่เราจะไม่ควรทําซ้ําอีกต้องใช้สติระมัดระวังถ้าทำลงโทษตัวเราเองได้ก็อาจจะต้องลงโทษนอาจจะได้จดได้จําได้เช่นไม่กินข้าวเย็นท่านหนึ่งมือ้อเป็นต้นจะได้รู้ว่าต่อไปถ้าเราทําผิดเราทําผิดเราจะต้องถูกลงโทษจะได้ไม่กล้าทําผิดอีกต่อไปขอผูอถ้ถามคําถาม แจ้งว่าขับรถชนเสาเจ้าคะ่ะจากคุณดวงธิดาค่ะน้อมกราบพระคุณเจ้าขอกราบเรียนถามว่าทำไมฝันเห็นคนตายบ่อยมากๆทั้งที่สวดมนต์บ่อยๆเจคะ่ะเราคิดถึงเขาล้วก็ล้วก็ฝันถึงเขาความ ฝ, นฝันก็เกิดก็เกิดจากความคิดของเรางันเป็นเรื่องปกติไม่มีไม่มีนัยยะอะไรจะฝันถึงคนตายหรือฝันถึ็นคนเต็นก็ไม่มีปัญหาะไร เพราะเวลาที่เรานอนหลับนี่เราควบคุมความฝันไม่ได้ก็ปล่อยมันฝันไปถ้าฝันดีมันก็เรื่องของอาจจะเป็นพ่อบุญทำให้เราฝันดีถ้าฝันร้ายก็อ จ, จะเป็นพ่อบาปที่เราทำเอาไว้ถ้าไม่อยากจะฝันร้ายก็พยายามทำทำบาปให้น้อยลงทำบุญให้มากขึ้นแล้วต่อไปเราก็ จ, จะมีแต่ฝันดีค่ะคุณหนึ่งถามเข้ามาทางยเจ้าค่ะว่ากราบนมัสแกมพระอาจารย์เจ้าค่ะ เวลาที่นั่งสมาธิจะมีอาการอยากกลืนน้ำลายจะมีวิธีแก้ไขอย่างไรเจ้าคะอย่าไปสนใจให้อยู่กับกรรมฐานอยู่กับพุโทโธไปอยู่กับลมไปปล่อยให้น้ำลายมันไหลไปไม่เป็นไรเดี๋ยวออกมาจากสมาธิก็มาเช็ดได้ถ้าไม่งั้มันก็จะคอยกลืนน้ำลายอยู่เรื่อยๆมันก็จะไม่ได้ภาวนามันก็จะไม่นิ่งพะโมงกังวลกับเรื่องเรื่องน้ำลายแ ม, ม้แต่เรื่องคันก็เหมือนกันเวลามันคันก็อย่าไปสนใจ เดี๋ยวพอเก่าแล้วมันจะเก่าอยู่เรื่อยๆอปนั้นไปเดี๋ยวมันก็หายถ้าเราไม่ไปสนใจปูกใจไว้อยู่กับกรรมฐานอยู่กับพุทโธอยู่กับลมหายใจเดียวเดียวเดี๋ยวมันก็ลืมไปละลืมแล้วมันก็จะหายไปเช่ไหมะจากทาง youtube ถามเข้ามาว่าทางภาคเหนือมีวัดป่าที่ปฏิบัติเคร่งครัดแบบวัดป่าบ้านต่าสมัยที่พระอาจารย์บวชไหมครับก็ลองถาม Google ดูเลยนะ เราก็ไม่เคยไปทั้งเนี่ไม่รู้ได้ไงคุณปาระวีค่ะทำไมหลวงพ่อชอบน้ำทับทิมเจ้าคะไม่นี้เรา่อยกินที่ไหนนะ่ะอ่จะใส่ความเราเนี่ยเราดื่มแต่น้ำเปล่าอย่างเดียวเราไม่อยากจะกินอะไรเพราะมันยุ่งยากกินกาแฟก็ต้องหากาแฟมาดื่มกินน้ำนี่มันมีตลอดเวลาไม่ยุ่งยากสบายแล้วก็ปลอดภัยด้วยไม่มีสารพิษไม่มีน้าตาลไม่มีอะไร นี่จะมาสร้างปัญหาให้กับร่างกายกินน้ำน้ำเปล่านะนี่มีประโยชน์ที่สุดมีแต่คนไม่มีโทษเจ้าค่ะคุณวิริญญาถามเข้ามาว่าป่วยหาสาเหตุไม่เจอเป็นจากเจ้ากรรมนาเวนใหม่เจ้าค้ามีวิธีขอคมาเจ้ากรรมนาเวนใหมค่ค่ไม่นเกิดมันมาจากการเกิดเกิดแล้วก็ต้องแก่ต้องเจ็บเป็นธรรมดาถ้าไม่อยากจะ แกไม่อยากจะเจ็บไม่อยากจะตายก็อย่ามาเกิดแลวการจะไม่เกิดก็ต้องหยุดตัณหาความอยากของเราให้หมดไปกิเลสตัณหานี่ต้องตัดไปให้หมดอยากเที่ยวอยากกินอยากดื่มอยากดูอยากฟังอยากอะไรต่างๆอย่างเงี้ยอยากในรูปเสียงกลิ่นรสนี้ต้องตัดไปให้หมดอยากดื่มน้ำก็ดื่มน้ำเปล่าๆอย่าไปดื่มเครื่องดื่มอย่าไปมีน้ำที่มีรสมีสีมีกลิ่นมันจะไปติดรสสีกลิ่นมันไม่ได้ติดน้า ยังไม่มีคำถามเข้ามาใช่ไหมเดี๋ยนั่งรอเดี๋ยวก็ไ ด, ด้การเกิดของเรานี่มันเกิดจากความอยากอยากรู้เสียงกินรถอยากจะเสพรูร้เสียงกินรดก็ต้องมีตาหูจมูกลิ้นกายเป็นเครื่องมื อ, อมก็ต้องมีร่างกายพอมีร่างกายก็ต้องเจอความแก่ความเจ็บความตายของร่างกายเรี่ยงเลี่ยงไม่ได้เพราะนี่คือธรรมชาติของร่างกายของ ท, ทุกคน ไม่ว่าจะรวยจะจนจะใหญ่จะเล็กจะฉลาดแล้วก็่แม้แต่พระพุทธเจ้าก็เหมือนกันนั่งกายระพุทเจ้าก็ต้องแก่เจ็บตายเหมือนกันแต่เป็นการแก่เจ็บตายแบบครั้งสุดท้ายค่ะถ้าเป็นคนฉลาดก็จะไม่กลับมาเกิดอีกถ้าคนโง่ ก, ก็ยังจะกลับมาเกิดอย่เรื่ยอยๆเพราะยังติดติดรูปเสียงกลิ่นรสอยู่ยังติดกาแฟยังติดขนมยังติดทุเรียน<ม>อะไรอี้ <laughs> บางคนแบบขาดทุเรียนไม่ได้เลยเห็นแล้วมาสู้กิเลสไม่ไหว นั้นต้องตัดสิ่งอันนี้ไปให้ได้ให้หมดถ้าตัดได้แล้วใจไม่มีความอยากแล้วก็ไม่ต้องมีตาหูจมูกนิ้วือกายไม่ต้องมีร่างกายมันก็จะไม่ต้องกลับมาเกิดอีก <im itation> พอไม่เกิดแล้วก็ไม่ต้องมาไม่ต้องมาเจ็บไข้ได้ป่วยมันที่เป็นอยู่ในตอนนี้เ <im itation> จ้า ก, กรรมนเวรที่แท้จริงก็คือตัวตัณหาความอยากของเรานี่แหละ <im itation> เป็นโดวสร้างเวรสร้างกรรมให้กับเราอยู่เรื่อยถ้าเราไม่มีตัณหาความอยากแล้วเราไม่ไปสร้างเวรสร้างกรรมกับใคร คุณนภพน์ค่ะมีคำถามค่ะว่าคำว่าเจ้ากรรมนายเวรมาในรูปแบบลูกก็ใช้ได้ก็ได้ใช่ไหมคะลูกที่ไม่เคยดูแลตัวเองไม่ได้คอยเป็นภาระมาตลอดเราต้องทำแบบไหนจึงจะอยู่ให้เป็นสุขเจ้าคะใช้ความเมตตาก็แล้วกันเมื่อเขายังมีชีวิตอยู่เราสร้างเขามาแล้วเราก็ต้องเลี้ยงเขต่อไป คิว่าเลี้ยงเลี้ยงลูกหมาตัวหนึ่งไปก็แล้วกันอย่าไปหวังอะไรจากมันมาก <Ừ. S 1> ให้มันมีข้าวกินให้มันมีบ้านอยู่ที่อยู่อาศัยมีปัจจัยสี่ก็พอส่วนมันจะรวยจะจนจะดีจะชั่วนี่มันก็เป็นเรื่องของเขาเราก็เพียงแต่มีหน้าที่คอยสั่งคอยสอนคอยห้ามเขาท่านเองแต่ถ้าเขาจะไปทําชั่วก็ช่วยไม่ได้เขาอยากจะไปติดคุกติดตารางก็เรื่องของเขาไปจากคุณ หนึ่งเรียนสอบถามเจ้าค่ะวิธีที่จะให้มีสติสมาธิในระหว่างวันต้องหยุดความคิดให้ได้อยู่กับคำบริกรรมให้ได้ตลอดถูกต้องไหมเจ้าค่ะถูกต้องอยู่กับพุโทโธเนี่ง่ายที่สุดไม่คอยดูว่าเรากําลังทําอะไรอยู่ร่างกายกำลังทําอะไรอยู่กําลังกินก็อยู่กับการกินอย่างเดียวอย่าไปคิดถึงคนนั้นคนนี้เรื่องนั้นเรื่องนี้นนเวลาตัดข้าวก็รู้ว่ากำลังตัดข้าวเวลาเอาข้าวเข้าปากก็รู้ว่าเข้าปาก เวลาเคี้ยวก็รู้ว่าเคียเค้ยวเวลาเกินก็รู้ว่าเกินดูทุกขั้นตอนของการกระทำขอ ง, งร่างกายแล้วใจมันก็จะไม่มีเวลาไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ได้ค่ะจาก y o u t u b จ้ะค่ะกราบเรียนหลวงพ่อครับถ้าหากผมทำสมาธิแล้วเกิดนึกโกรธคนขึ้นมาเลยไปพิจารณาว่านี่เป็นอุปกิเลส ข, ข้อไหนแบบนี้ไม่ใช่สมาธิแต่พอจะ เรียกว่าเป็นธรรมวิจยะได้ไหมครับเออไม่ต้องไปคิดหรายิ่งคิดมันก็ยิ่งไม่สงบใหญ่ให้กลับมาที่พุโทโธอย่างเดียวนี่กว่าตัดปัญหาไปมันหลอกให้เราคิดพอคิดมันก็เลยคิดไปใหญ่แล้วกลายเป็นการกลายเป็นความคิดไปการที่จะนั่งสมาธิก็เป็นการมานั่งคิดกันใจก็จะไม่สงบไม่ได้ผลอย่างเวลานั่งสมาธิต้องคอยตัดความคิด นายใจเป็นความคิดเกี่ยวเรื่องอะไรก็ตามอย่าไปสนใจตอนนั้นต้องการหยุดคิดให้อยู่กับพุโทโธไปอย่างเดียวให้อยู่กับกรรมฐานอย่างอื่นก็ได้แต่อยากคิดยิ่งคิดแล้วมันยิ่งยาวย่คิดถึงเรื่องนี้แล้วเดี๋ยวก็ต่อเรื่องนั้นต่อคิดไปเรื่อยๆคุมพินระวีเจค่ะความกลัวเกิดจากอะไรคะเราจะข้ามความกลัวได้อย่างไรคะกิความรักตัวไง นักตัวกลัวตายเกิดมาแล้วก็อยากจะอยู่เป็นนานไม่อยากให้มันตายก็เลยกลัวเวลามีกระทบกับชีวิตของเราเราก็จะกลัวขึ้นมากลัวทุกข์ด้วยเพราะเราอยากจะได้สุขความอยากได้สุขก็เลยทําให้เรากลัวทุกข์ความอยากอยู่ก็จะทำให้เรากลัวตายถ้าเราไม่มีความอยากมีความสุขแล้วเราไม่มีความอยากจะอยู่เราก็จะไม่กลัวสิ่งต่างๆ จะคุณแก้วค่ะน้อมกราบนมันส ก, การเจ้าขาหลวงตาหากเห็นความคิดแสดงว่าสติเราไม่ทันเพราะกําลังสมาธิยังอ่อนไม่คมพอที่จะตัดก่อนเกิดความคิดกราบขอโอกาศไม่ตาบอกอุบายเพื่อให้ก้าวหน้าในการทําความเพียรด้วยเจ้าค่ะเราไม่ผูกใจไว้กับพุโทโธมันก็เลยปล่อยให้ไปกับความคิดเห็นพอรู้ว่าคิดแล้วต้องดึงกลับมาที่พุโทโธเลย ไม่ต้องไปวิเคราะห์ว่าเพราะสมาธิอ่อนเพราะสติอ่อนเรืออะไรให้เสียเวลาให้รู้ว่าตอนนี้เราเผลอแล้วเราไม่ได้อยู่กับพุโทโธให้กลับมาอยู่กับพุโทโธทันทีเลยเจ้าค่ะจากทางยูทูบพอจะมีอุบายที่จะผ่านทุกขเวทนาตอนนั่งสมาธิใหม่คะไม่เคยผ่านจุดนี้ได้สักทีค่ะก็ต้องใช้พุโทโธหรือใช้การสวดมนต์เวลามันเจ็บอย่าไปสนใจอย่าไปให้ใจไปคิดถึงความเจ็บ ให้มันดึงไว้อยู่กับพุโทโธพุธโทโธแล้วอยู่กับการสวดมนต์ไปก็ได้แล้วมันก็จะลืมความเจ็บแล้วมันก็จะผ่านความเจ็บไปได้เจ้าค่ะจากอย่างทางยูทูบเรียนถามว่าเราจําเป็นต้องกังวลอิริยาบถย่อยหรือไม่ก็แล้วแต่ว่าเราจะใช้อะไรเป็นกรรมฐานถ้าเราใช้ร่างกายเคลื่อนไหวก็ต้องดูทุกอิริยาบถผูกใจไว้เกี่ยวกับการเคลื่อนไหวของร่างกายเพียงอย่างเดียว ไม่ให้ใจไปคิดเรื่องอื่นค่ะจากคุณอภิวัตรเจ้าค่ะจะรู้จะรู้ได้อย่างไรว่ากรรมฐานไหนเหมาะกับเราครับก็ลองทำดูสิแต่ความจริงมันไม่ใช่อยู่ที่คํรบริกรรมอย่างเดียวมันอยู่ที่สติถ้าไม่มีสติคํรบริกรร ม, มไหนก็ไม่อยู่มันก็จะลอยไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้อยู่เรื่อยๆแมันมน ม, นมนอย่าไปสนใจเรื่องคํรบริกรรมสนใจเรื่องสติ ว่าเราผูกใจไว้อยู่กับเรื่องใดแล้วอหนึ่งได้นานสักเท่าไหร่เจ้าค่ะจากคุณตะวันเบิกบานก ร, รบรบกราบมศกาพระาจารเจ้าค่ะการเห็นรู้ทานเวทนาที่เกิดขึ้นนั้นเป็นเวทนาขานหรือเวทนาในปฏิชมุตปาทเจ้าคะไม่ต้องสนใจให้รู้เฉยๆแล้วปล่อยวางให้รู้ว่าเวทนามีสามันมีสุขมีทุกข์ไม่สุขไม่ทุกข์เป็นอนิจจังเปลี่ยนไปเปลี่ยนมา ใ น, นนั้นตาเราควบคุมบังคับมันไม่ได้ต้องปล่อยให้มันเป็นไปตามเรื่องของมันมันจะทุกข์ก็รู้ว่าทุกข์มันจะสุขก็รู้ว่าสุขมันจะไม่สุขไม่ทุกข์ก็รู้ว่าไม่สุขไม่ทุกข์อย่าไปจัดการอย่าไปเปลี่ยนมันอย่าไปอยากให้มันเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้เพราะมันจะสร้างความทุกข์ใจขึ้นมาอีกชั้นหนึ่งเจ้าค่ะจากทางยูทูบ กราบเรียนพระอาจารย์ขนาดนั่งสมาธิมักจะเห็นเป็นเหมือนมองลงไปในน้ําที่ใสจนเห็นพื้นควรปฏิบัติเช่นไรต่อขอรับไม่ต้องสนใจกรรบมาที่พุโทโธกรับมาที่กรรมฐานเราใช่เลยไปกรรมฐานก็กลมาที่กรรมฐานยังไม่มีคําถามเข้ามาเจ้าค่ะมีใครอยากจะถามไหมถ้าไม่มีเวลาไม่มีใครถามว่าจะปิดประชุม